อัตโนระวัตหลวงปู่อ่อนยานัจจริตวัดป่านิโตรารามอำเภอหนองัวซอจังหวัดอุดรธานีชาตะัวันอังคาร ข, ขึ้นเจ็ดค่ำเดือนเจ็ดปีขานพุทธศักราชสองพันสี่้อสี่สิบห้าคือ ตามพ่อแม่บอกให้ข้าพเจ้ารู้แต่ตามปฏิทินหนึ่งรปีไม่ตรงวันอังคารวันอังคารมีอยู่ขึ้นห้าค่ำและส2องคำ่ำมาตุภูมิบ้านดอนเงินตำบลชา์แลอําเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีโยมพ่อชื่อเมืองกลางโยมแม่ชื่อบุญมานามสกุลการวิบูล โยมทั้งสองมีบุตรด้วยกันยี่สิบคนแต่ตายเสียแต่เด็กสิบคนใหญ่ได้มีครอบครัวสิบคนบุตรของพ่อแม่ที่ตายแต่เล็กสิบคนนั้นจะไม่เขียนลงเพราะเกิดไม่ทันไม่รู้จักชื่อที่ยังอยู่สิบคนนั้นคือหนึ่งชายชื่อพิ ช, ชารีการวิบู์อายุแปดสิบปีเป็นโรคชราตายสอง ชายชื่อจานิสาการวิบูลอายุ56ปีเป็นโรคท้องร่วงตาย 3. หญิงชื่อมาพาการวิบูลอายุไม่ทราบแท้งบุตรตาย 4. ี่ชายชื่อทิศอ่อนสาการวิบูลอายุ76ปีมีคนมายืมเงินเกือบเข้าสองปีไปทวงหนี้เขากโกรธถูกลูกหนี้แทงตาย 5. ชายชื่อพิศสีดาการดิบุ์อายุ66ปีเป็นวรรณโรคตาย 6. ชายชื่อคำมีบวชเป็นสัมมนเนนแต่28ปีเลยเป็นพระเรียนหนังสือส่วนที่และมูลกัจจายะอยู่กับอาจารย์พระครูพรจังหวัดกาลสิน5ปีกลับมาเป็นสมภารยุัดบ้านนอนเงิน3ปี ลาสมภานออกปฏิบัติกรรมฐานตามข้าพระเจ้าอยู่สี่ปีลาพระอาจารย์หลวงพ่อใหญ่มั่นไปวิเวกที่ปูรังกาเขตอำเภอเสกาจังหวัดหนองคายไข้ป่าจับรักษาไม่หายจึงตายเจ็ดหญิงชื่อคำไขการวิบูรข้าพระเจ้าไม่รู้อายุไปสวนเปิดประตูไม้ราประตูหลุดมือตกลุกแท่นถลอกเป็นบาทะยัก รักษามไม่หายจริงตายแป่ 8. ชายชื่อพระอาจารย์อ่อนยานสิริผู้แต่งหนังสือให้ถืออ่านอยู่เดี๋ยวนี้เองอายุ74ปีคือเมื่อปีพุทธศักราช2520 9. ก้าหญิงชื่อนางขาวการวิบูณ์อายุ73ปีบวชเป็นจีอยู่กับพระพ เ, เจ้าเวลานี้สิบ หญิงชื่อนางแก้วอายุเจ็สิบสองปีมีครอบครัวเวลานี้ครอบครองระดกอยู่บ้านดอนเงินนั้นดังนี้ชีวิตในการครองเพศพรารวาสข้าพเจ้าเพื่อเริ่มฝึกหัดทำงานช่วยพ่อแม่แต่อายุสิบสี่ปีเพราะพ่อเท่าแก่มากพ่อบวชเป็นพระอยู่นานได้14บสพรรษา จึงได้ลาติดขาออกไปทําากรงานตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ของท่านอยู่หนึ่งปีจึงได้แต่งงานกับโยมแม่ของข้าพเจ้าพ่อเล่าให้ข้าพเจ้าฟังจําได้มาดังนี้โยมพ่อของข้าพเจ้าชื่อเดิมผู้มีใหญ่ได้ทําการปกครองช่วยเจ้าฝ่ายตักขวาซึ่งเป็นบิดาของพ่อนั่นเองอัญญาลุงเจ้ามึงร้อยเอ็ด จึงได้ตั้งชื่อให้ว่าเมืองกลางพ่อขปเจ้าเป็นปราชผููหนึ่งจำธรรมะพระสูตรเช่นเพื่อสันดอนชาดกสูตรเป็นต้นได้ตลอดตายพระินัยเช่นแปลบาลีพระปาติโมได้จนตายจำคถาวิชาของขันธ์หลังรายดีเสียเคราะห์เสียเข็ญสรพัดได้จนตายดังนี้โยมแม่ขพเจ้า ก็เป็นปราปอ่านหนังสือไม่ได้อาศัยแตกการฟังเทศ พ, พระทันเทศเรื่องพระสูตรพระวินัยให้ฟังแม่จำเรื่องได้อย่างแม่นยำเช่นบาลีก็สันส้นๆพระทันเทศให้ฟังมีผลเันกับเนื้อความโยมแม่ของข้าพเจ้าก็จำได้มาสอนผู้ลูกๆแลนหลานให้เข้าใจบุญและบาปได้ดีดังนี้ โยมพ่อโยมแม่ของข้าพเจ้าวันธรรมดารักษาสินห้าประจำตัวแต่โยมแม่ประกอบอาชีพในการเลี้ยงไหมเมื่อหม่อนจุกก็กรงสีลสาวหลอกเมื่อเสร็จจากสุระแล้วก็สมาทานสินคืนเมื่อถึงวันตะแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำไปวัดสมาทานสีลอุโบสถรักษาตลอดหนึ่งวันกับหนึ่งคืน เช้าแล้วองศิลกลับบ้านดังนี้แต่ตัวข้าพเจ้ารู้มาเห็นพ่อแม่รักษามาอย่างนี้จนถึงวันตายโยมแม่ตอนสุดท้ายแห่งชีวิตได้บวชเป็นชีรักษาศีลแปดด้วยตัวข้าพเจ้าเป็นผู้บวชให้ตายพร้อมนุ่งขาวผมขาวเมื่อเริ่มป่วยลงโยมพ่อและโยมแม่ รู้จักวันจะตายจึงจะสมัคานฉินแปดและรักษาให้บริสุทธิ์และก็ตายแบบสงบสมกับเป็นนักปราชญ์ทั้งสองคนด้วยดังนี้โยมพ่อโยมแม่อาชีพทำนาเลี้ยงโคผงเลี้ยงหม่อนทำไหมค้าขายของย่อยต่างๆการทำนาของพ่อแม่นาไม่อยู่แปดทุ่งใหญ่ๆนาทุ่งใหญ่ ทำกินเลี้ยงพวกลูกๆมาเป็นปีปีไหนผลดีข้าวไม่เกิดโรคต่างๆได้ข้าวปีละหนึ่งพันกว่าถังพ่อแม่และพวกพี่ๆขุดทำยังไม่แล้วเสร็จข้าพเจ้าฝพกหัดทำงานพ่อได้นำข้าพเจ้ากับคณที่ํำมีขุดทำจริงแล้วเสร็จอีกทุ่งหนึ่งพ่อได้ทำกินมา คุณพี่คำมีจากข้าพระเจ้าไปบวชแล้วข้าพระเจ้าได้ควานต้นไม้ใหญ่และหามต้นไม้น้อยกับพ่อด้วยทาไร่ปลูกข้าวโพดและแยงกินและขุดดินทาเป็นคันนาไว้พอเป็นรูปๆเท่านั้นจากนี้อีกหกทุ่งเป็นตนาจับไว้ขุดทำที่นั่นที่มีบ้านทั่วไปไว้เท่านั้นจริงทุกปีพอถึงเดือนหก ฝนตกพอปักไถได้เท่านั้นต้องลงไถนาไปเลยจนถึงเดือนสิแรงแปดคำ่ำเป็นอย่างได้หยุดทานาเร็วเดือนสิบแรงสิสองค่ำจึงได้หยุดทานาก็มีเพราะทานาเพียงทำกินนั้นแล้วคือนาทุ่งที่เตียนจำเป็นต้องได้เข็นคลาดเข็นไถไปทานาที่จับไว้ถ้าไม่ทำอย่างนี้คนเขาก็จะจับทับ เขาดัางนี้เขาพเจ้าเอาควายใหมายไถควายมันข้ามคันนาเขาพเจ้างัดรากไถไม่ทันดึงควายไม่อยู่รากไถหักเขาพเจ้าทำนาสามปีรากไถหักตามรากเก่งมากงานทำนาก็ทำเพื่อกินอิ่มกันเท่านั้นก็เปลือกสิบถังขายหนึ่งาบาทก็ไม่มีใครซื้อกันเลยเพราะ ต่างคนก็ต่างมีข้าวกิกนการทุกบ้านทุกเมืองไปหมดงานเลี้ยงบัวเลี้ยงควายก็เป็นการยากทุกแทบตายเพราะแต่ก่อนบุคคล น, น้อยโคกและโดงกว้างพ่อแม่มีวัวผงสอง200กว่าตัวปล่อยทิ้งไว้ตอนค่ำบัวมาคอกเองถ้ามันไม่มาคอกสี่ถึงห้าวัน จึงไปตามหาไล่มาครอบทีหนึ่งนี้ก็เป็นการยากใหญ่ของข้าพเจ้ามีวัวผูกมากอีกหนึ่งหลักเมื่อวัวไม่มาข้าพเจ้าไปชวนใครไปหาด้วยเขาก็รู้แล้วว่าวัวเขามันอยู่กับหมู่วัวข้าพเจ้าเขาก็ว่าไม่ไปดอกเพราะเขาว่าข้าพเจ้าไปไล่วัวข้าพเจ้ามาพวกเขาก็ต้องมาด้วยดังนี้เขาจึงว่าไม่ไปตัวข้าพเจ้า ก็ต้องจำเป็นไปคนเดียววัวมันไม่ว่าเราเป็นเจ้าของมันมันอยากไปไหนใกล้ไกลมันก็ไปตามชอบใจมันเราไปตามหาวัวก็ไม่รู้ว่าเป็นรอยวัวบ้านไหนเพราะมีฝูงวัวทุกบ้านในแถวนั้นโคและดงกระกเสือและงูมันก็มากก็พระเจ้าก็ต้องจำเดินหาไป ตัวหลงฐานบ้านตายก็กลัวกว่าจะเห็นวัวก็ต้องตะวันบ่ายแล้วครั้งหนึ่งเป็นเดือนห้าเเปเจ้าไปหาวัวลืมเอาน้ําไปกินด้วยตะวันบ่ายเห็นจะได้สองโมงแล้วจึงไปเห็นฝูงวัวตัวข้าพเจ้าไล่มันมาบา้านวัวตั้งหน้ามาบ้านมันวิ่งเลยข้าพเจ้าวิ่งตามมันไม่ไหวคอยไม่ป่ายะแพร่ และต่อไม้น้อยอื่นๆมันมีมาสตีนข้าพเจ้าไม่ได้ใส่รองเท้าต่อไม้มันจิ้มเท้าเอาข้าพเจ้าก็ต้องเดินเอาข้าพเจ้าเดินมาใกล้บ้านเราสิบเส้นจะถึงเดินไปดีๆหัวเข่าข้าพเจ้าอ่อนล้มพวกลงเลยข้าพเจ้าลุกขึ้นค่อยๆคลานเข้าไปหาร่มไม้นั่งพักอยู่ครู่หนึ่ง ข้าพเจ้าลุกขึ้นวิ่งรองดูข้าพเจ้ายิ่งร้มแรงใหญ่ลุกขึ้นมาหาไม้เท้าถือสองมือเท้าไปจึงถึงบ้านได้ข้าพเจ้ากินน้ําหมดสิบสี่กระบวนมะพร้าวใหญ่ๆข้าพเจ้าจุกจุกน้ํากือตายเหงื่อและไสคล้ายอย่างตายพุ่งออกอย่างแรงผ้านึ่งเปียกหมด ข้าพเจ้าพอเสื้อออกเอาพัดตัวอยู่พักใหญ่จึงกินข้าวได้นี้ทุกใหญ่ในความมีวัวปูมากหนึ่งแลเมือ่อวัวตัวเมียมันได้ลูกลูกมันใหญ่เป็นตัวผู้พอตอนห้ำ ม, มันก็จับมันมาทับห้ำ ม, มันนี้ก็แสนยากและอัวตัวเล็กไม่ได้เคยจับมันสักทีมันก็ไม่ให้จับ จำต้องเอาหนังคว้นห้างบ่วงไล่มันใส่มันติดบ่วงจับมันมาตอนห้ามมันได้พอหัดให้มันเป็นเกลียนคือหัดทีมเกวียนก็ทำเป็นห้างบ่วงไล่มันใส่มันถูกบ่วงแล้วจึงจับมันแทงจมูกสนเข้ามันผัดวัว น, นี้เริ่มแต่ลาดข้าวจากลานเอาขึ้นยุง้งขึ้นสางคือฉาง จนตลอดไปถึงเดือนสี่จึงหัดวัวเล็กให้เป็นเกวียนหมดได้เรื่องหัดวัวนี้ก็าสารพัดมันแสงจับพยศบางตัวชนเบาบางตัวดึงม่ออยู่บางตัวยืนต่ำไม่เดินบางตัวเอาแอบใส่คอมาแล้วกลับนอนไปเตียนานาประการดังนี้จำเป็นข้าพเจ้าจึงหาหมูมาช่วยกัน ดึงช่วยกันฝึกทั้งวัวเล็กของหมูก็ออกมาหัดร่วมกันด้วยตัวไหนมันชนจำต้องเอาปอบเครือม้วนควันเขาวคว้นเชือกร้อยจมูกมันผูกเขามันเอาไม้ไผ่ยาวประมาณวาหนึ่งปันเ จ, มเจิมๆคือเสียมตรงข้อมันให้เป็นแง่มคือแฉกเจาะใต้ข้อมัดลงมา พอเอาเชือกสอดผู่เข้ามันได้และแหยงเข้าไปในรูไม้ที่เจาะนั้นดึงเขา้าให้จำชิดเผ่ามันแล้วจึงเกี่ยวคือพันมาตามลาไม้ให้ดีแล้วบังคั บ, บวัวเข้าหลักมีหนีบคอมันไว้ให้ดีแล้วเอาแอกเกวียนใส่คอมันเอาหนังคว้านเป็นเชือกอ้องใส่คอมันเส้นยาวเอาดึงไปทางท้ายเกวียนเลยไป ไม่หมูจับดึงมันไว้พอถอดเอาไม้หลักนี้ออกจากคอมันได้เท่านั้นอัวมันก็กระโดดเกวียนปริบคว่มปรินหายคือปริบคว่มปริบหา ย, อาหายแอกหลุดจากคอมันคนพวกดึงกลัวมันวิ่งหนีกระหนดก็พระเจ้าจับไม้ขันจามสู้มันมันกระโดดมาชนก็พรเจ้ากดสารไม้ขันจามลงดินงัดดังคือจมูก มันขึ้นพอดังมันหน่วยขึ้นเาพเจ้าเด้ท่าใช้แรงดันทรงบัวมันล้มตูมลงอย่างแรงมันลุกขึ้นได้ตามันเขียวปีกระโดดจะชนเข้าพเจ้าอีกข้าพเจ้าทําดังเก่าเอามันล้มอีกมันล้มถึงสามครั้งมันกลัวเข้าพระเจ้ายืนขี้แตกเย่ไหลออกมาผากปาปากมันร้องอ้๊บอเลยหมูที่วิ่งหนีเอาตัวรอด จึงเดินมาช่วยจับหนังจับเชือกดึงช่วยข้าพปเจ้าเอาไปผูกแงนไว้ไม่ให้มันกินหญ้ากี้น้ำอะไรเลยกินข้าวแล้วไปแต่งเกวียนให้ดีวันหลังหัดอีกจนกว่าจะเป็นเกวียนให้ได้ดีทีเดียวนี่ก็ทุกหนึ่งหละัะเอาตายเข้าสู้จึงได้รอดตายมาทีเดียวแลตัวมันดึงไม่อยู่ก็เตรียมตัวผัดมันแบบเดียวกันกับตัวที่มัน เคยชนข้าพเจ้าพาหมูมาดึงหนังท้ายเกวียนให้มากก็อาชนะมันเป็นเกวียนได้ตัวมันค้ำมันนอนมันก็คิดหาวิธีพัดมันเป็นเกวียนได้ทั้งหมดดังนี้พัดวัวแต่เดือนอ้ายไปถึงเดือนสี่จึงเป็นเกวียนได้หมดทุกตัวแล้วเช้าพอเป็นวันใหม่พัดวัวเช้าสามโมงไปกินข้าวเช้ากินข้าวแล้ว เรียงมีดขวานไปควันเสารั้วและราวเอามาล้อมรั้วบ้านและสวนบ่ายกลับบ้านกินข้าวสายแล้วไปหาอาหารมากินตัวและเลี้ยงพ่อแม่และพี่พี่น้องๆ้องยุ่งอยู่อย่างนั้นทุกวันไปวัวก็ไม่หัดให้มันเป็นเกวียนขายมันไม่ออกก็ยุ่งใหญ่และไม่ได้เงินเพราะมีวัวมากแลธุระของการเลี้ยงหมอนของพ่อแม่พอถึงฤดดูผล พ่อแม่พาระเลี้ยงเอาผันไว้ปล่อยผู้ลูกลูกทำนาเสร็จครั้งละ40กระดงเมื่อพวกลูกทำนาเสร็จแล้วพ่อแม่พาเลี้ยงครั้งละ130กระดงและครั้งละ125กระดงเมื่อเลี้ยงหมอนก็จำต้องทำสวนหมอนให้มากให้พอเก็บใบหมอนให้หมอนกินพ่อและก็พเจ้าจึงปันสวนปลูกหมอนได้ตีสวน สวนใหญ่ห้ากับสวนหม่อนเก่าของพ่อแม่ทำไว้แต่ข้าพเจ้าอย่างน้อยนนข้าพเจ้าจำต้องปันรัว้วคนจาะด้วยไม้เนื้อแข็งที่ไม้จิกไม้แดงเป็นต้นจนขวานบ้องสึกสีเล่มเก่งมากจบในการครองเพศการวาสทากิจธุระช่วยครอบครัวตอนนี้ไปก็เป็นชีวิตในการออกบรระชาดำเนินกิจทางพระพุทธศาสนา ต่อไปชีวิตในการออกบวชพอข้าพเจ้าอายุ16บปีได้ยินพ่อแม่ผู้เป็นปราบได้อบรมสั่งสอนให้ทางพุทธศาสนาว่าการบวชนี้เป็นบุญมากจึงมีศรัทธาใคร่จะบวชในพศาสนาก็เปลาบิดามารดาบิดามารดาก็อนุญาตแล้วก็บอกบิดามารดา ลูกบวชแล้วจะไม่สึกพ่อแม่ก็ให้พรตามความประสงค์พ่อแม่นำไปฝากให้เป็นศิษย์กับวัดท่านพระครูพิทักษนาลุกการวัดจอมศรีบ้านเก่าอำเภอคุพาวาปีจังหวัดอุดรธานีต่อมาเมื่อรินหนังสือได้พอสมควรท่านก็บรรปชาให้เป็นสา ม, มเณรและได้ศึกษาเล่าเรียนสวดมวนต์ไหว้พระทุกสิ่งทุกอย่าง พอได้แล้วและเป็นสัมมนเนนอยู่กับท่าน 3, สามภัรษาอายุได้19ปีได้เข้ากราบเรียนลาพระอาจารย์สมุกสีพระครูพิทักษ์ขนานุการเปรียนังสือที่กรุงเทพมหานครท่านหาว่าปวดดีกว่าท่านท่านก็ขับข้าพเจ้าออกหนีจากวัดจอมสีข้าพเจ้าออกจากวัดจอมสีไปพักอยู่วัดบ้านดอนเงินลาโยมพ่อโยมแม่ ไปเรียนังสืที่กรุงเทพโยมพ่อโยมแม่ไม่อนุญาตให้ข้าพเจ้าเป็นเด็กขาดอ้างว่าคิดถึงข้าพเจ้าจำเป็นที่ได้อยู่วัดดอนเงินนั้นไปจนเดือนเจ็แรมส1เอ็ค่ำปีพุทธศักราช2464อายุอยู่ใน20ปีโยมพ่อโยมแม่จึงได้คิดกองบวชผู้ผสมบทขึ้นเป็นพระข้าพเจ้าเป็นเนนธรรมยุทธ จำใจได้ลาจิตผาไปบวชเป็นพระหานิกายกับท่านพระอุปชาจันทาเจ้าคณะอำเภอกุมภาวาปีนั้นอยู่วัดบ้านดอนเงินสิ้นพรรษาสามเดือน